สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพวันนี้ผมมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับพรานป่ามาเล่าให้ทุกท่านได้ฟังนะครับโดยขอออกตัวก่อนนะครับว่าผมจะสมมติว่าตัวเองเป็นผู้ได้ฟังจากพรานป่าผู้นี้มาเล่าให้ทุกท่านได้ฟังอีกตอนหนึ่งนะครับพรานป่าผู้นี้มีนามว่าพรานสุขย้อนหลังไปเมื่อราว 20-30 ถึงกว่าปีป่าในย่านนี้ก่อจะมาเป็นวนอุทยานน้าตกห้วยแม่ไข่เป็นป่าใหญ่ เป็นแหล่งต้นน้ำลำทานอุดมด้วยพันไม้ใหญ่เล็กนานาชนิดมีสัตว์ป่าอาศัยอยู่ชุกชุมวิถีชาวบ้านส่วนใหญ่จึงยังคงอาศัยและพึ่งพิงกับธรรมชาติเป็นหลักทั้งในด้านการเกษตรกรรมเลี้ยงสัตว์และเก็บหาของป่าโดยเฉพาะเห็ดป่าในแถบนี้มีอยู่อย่างชุกชุมเช่นเห็ดโคนเห็ดไข่เหลืองเป็นต้นในยามฤดูเก็บเห็ดป่าราวช่วงปลายฤดูฝนต้นฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่ช่วงกลางเดือนกันยาชาวบ้านจะตื่นแต่เช้าตรู่เพื่อเข้าป่าหาเห็ดป่าสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำรรนำไปขายให้พ่อ ค, ค้าคนกลางที่จะมารับซื้อถึงที่จนทําให้วิถีของชาวบ้านล่าป่าล่าสัตว์นี้หยุดไปพักหนึ่งเพราะชาวบ้านในช่วงนี้หันมาสร้างรายได้จากการเก็บเห็ดป่าเป็นส่วนใหญ่ง่ายกว่าการเข้าป่าล่าสัตว์เยอะลูกสุกเริ่มเล่าเรื่องดาวย้อนครั้งใบเป็นหนุ่มให้ผมฟังหมู่บ้านทุ่งกระเชาะ เป็นหมู่บ้านที่ติดอยู่กับแนวป่าผมสันนิษฐานว่าน่าจะตั้งชื่อตามต้นไม้ประจำถิน่นต้นกระเชาะหรือเรียกตามภาษาถิน่นต้นกระเจาะที่มีขึ้นอยู่หนาแน่นตามภูมิประเทศชายป่าแถวนี้สุขสมาชิกของหมู่บ้านนี้ใช้หนุ่มรูปร่างผอมบางเล็กแต่ดูแข็งแรงสมวัยด้วยวัยหนุ่มราว20ต้นๆในขณะนั้นอาศัยดารงชีพด้วยการเข้าป่าหากินกับป่า ทั้งล่าสัตว์และเก็บของป่าหรือที่รู้จักกันดีในนามว่าพรานป่าหรือชาวบ้านเรียกว่าพรานสุขแกก็อาศัยป่าเป็นที่ทำมาหากินประกอบการทำกสิกรรมแบบครอบครัวเล็กๆน้อยๆไม่ถึงขั้นร่ำรวยแต่ก็เพียงพอที่จะหาเลี้ยงชีพให้ดารงอยู่ได้ก่อนจะหยุดอาชีพการเป็นพรานภัยเมื่อมีความเจริญและการพัฒนาจากภาครัฐเข้ามามีบทบาทเปลี่ยนวิถีชีวิตเปลี่ยนวิธีของคนในพื้นที่ มีการประกาศเป็นเขตพื้นที่อนุรักษ์โดยจัดตั้งเขตเป็นวนอุทยานน้ำตกขุวยแม่ไขพรนสุขจึงหยุดเข้าป่าล่าสัตว์เหลือแต่เพียงการประกอบอาชีพเกษตรกรรมและเลี้ยงสัตว์ประเภทวัวควายเท่านั้นพรานสุขเป็นบุคคลรูปร่างผอมบางเล็กกะจิงแต่ผมสังเกตแล้วดูแกมีความกระฉับกระเฉงแข็งแรงเกินวัยดูแล้วก็คงจะไม่แพ้วัยหนุ่มๆของแกเลยลักษณะเป็นคนดิ่งลึกสุ ข, ขุมไม่ตื่นตกใจอะไรง่ายๆ แต่ก็แฝงไว้ด้วยความร่าเริงแกก็อาศัยป่าเป็นที่ทำมาหากินเดินป่าล่าสัตว์ไปคนเดียวบ้างสองถึงสามคนบ้างกับเพื่อนในพรานก็แล้วแต่ว่าใครจะว่างเว้นกับภารกิจได้เข้าป่าล่าสัตว์ด้วยกันวันหนึ่งแกเล่าให้ฟังในช่วงเช้าตรู่ฤดูหนาวก่อนเวลารุ่งสางพรานเรียกว่ายามไก่โหช่วงนี้ก็อยู่ประมาณกลางเดือนธันวาคม พัสุกได้รับการชักชวนจากเพื่อนพรานอีกสองคนชักชวนกันสไพายปืนแก๊ปแบบลำกล้องยาวเพื่อเข้าไปยิงไก่ป่าเนื่องจากในยามก่อนเวลารุ่งสางหรือยามไก่โหดนั้นเป็นยามที่บรรดาไก่ป่าพากันก่งคอขันรับแสงอรุณแห่งวันใหม่และเพื่อประกาศอาณาเขตถิ่นฐานแห่งการออกหากินของตนเองประกอบกับในช่วงเวลาเดือนธันวาลนี้ถึงช่วงเดือนพฤษภาคมนั้นเป็นฤดูแห่งการผสมพันธุ์ของไก่ป่า ป่าแถบนี้จึงเครือข่ายไปด้วยบรรดาเหล่าไก่ป่าที่พากันกงคอขันดังกังวานไปทั่วหุบเขาสร้างชักชวนให้บรรดาเหล่าพรานไพร์ต่างพากันหลงเสียงไก่ป่ากันแทจริงๆกลุ่มพรานสุขก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่พากันหลงเสียงกงคอขันของไก่ป่าตามแนวทางเดิน ล, ลัดเลาะตามภูมิประเทศที่เป็นป่าดิบและทะลุ ป, ป่าไผ่เป็นช่วงๆกลุ่มพรานไพร์สคนพากันเดินไปยังจุดหมายที่ได้ยินเสียงขันของไก่ป่า และคาดว่าจะต้องเป็นแหล่งออกหากินของบรรดาฝูงไก่ป่าซึ่งฝูงหนึ่งก็จะมีอยู่ประมาณไม่เกินห้าหรือ6ตัวเดินมาราวๆชั่วโมงก็าพากันมาโผล่พ้นแนวป่าดิบออกสู่ลานล่งตัดกับแนวเขตป่าแคระพอเข้าเขตแนวป่าแคระกลุ่มพันธุสุก็ได้ยินเสียงดังแควแควอยู่ในแนวป่าแครข้างหน้ากลุ่มพานสุกรู้ได้ทันทีว่านั่นคือเสียงเขี่ยใบยไม้หรือกอหญ้าของไก่ป่า เพื่อคุยห า, มาแมลงหรือตัวนอนเพื่อจิกกินเป็นอาหารพราน3คนพากาันลถปืนแก๊ปมาปะจุแก๊ปแล้วถือแบบย่องยงคืบคลานคืบคลานก็ไปหาฝูงไก่ป่านในแนวสมทุมปา่าแคางหน้าพรานสุกเล่าว่าฝูงไก่ป่านประมาณ5้ถึงหตัวกําลังออกหากินกันกระจัดกระจายตามแนวสมทุมปา่าแคะบ้างจิกบ้างเขี่ยบ้างบ้างจิกน้ําค้างแล้วก็กระดกลําคอเพื่อดื่มกินน้ําค้างที่เกาะอยู่บนใบไม้ เพื่อนของพรานสุขต่างพาการประทับปืนแก๊ปแล้วเลงประทับสไตล์ไปมายังเป้าหมายซึ่งอยู่ไม่ค่อยนิ่งตามความไวของการเคลื่อนไหวของไก่ป่าพรานสุขนึกอะไรได้จึงเอื้อมมือไปจับลำกล้องของปืนเพื่อนทั้งสองพร้อมแสดงท่าทางโบกมือบ่งบอกความหมายถึงการห้ามยิงเพื่อนทั้งสองออกสีหน้าพากันงงนิดนิดแต่ก็ทาตามเพื่อนพานสุกด้วยดีสักพักพรานสุกได้ปลดวางอาวุธปืนแก๊ปของตนเองลงไว้กับพื้น เพื่อนๆต่างพากัน ง, งุนงงเรียกว่างงเป็นไก่ตาแตกไปเลยจากนั้นผานสุขก็จัดแจงถอดรองเท้าของตนเองออกแล้วก็ค่อยๆเดินย่องแบบย่องเบาเข้าไปหาเป้าหมายไก่ป่าซึ่งไก่ป่าตัวแรกที่ผานสุขกําลังย่องกันไปหานั้นกำลังยืนคุ้ยเขียหากินตามพื้นดินใต้โคนต้นไม้ใหญ่พอประมาณผานสุขค่อยๆ ย, ย, ย่องเข้าไปย่องเข้าไปหาเป้าหมายตัวแรกโดยเข้าทางด้านหลังโคนต้นไม้นั้นพอได้ระยะพอที่จะเอื้อมมือถึง พรนสุกก็อาศัยจังหวะและความปารับเปรียวของตนเองตวัดมือขวาอ้อมคนต้นไม้อย่างรวดเร็วจับมับเข้าตรงที่หัวคลุมถึงช่วงปากของเจ้าไก่ป่าตัวนั้นเพื่อไม่ให้มันร้องพร้อมกับตามด้วยมือซ้ายตวัดจับขาของไก่ป่ารวบเข้าหากันทั้งสองข้างเพื่อป้องกันการดิดดิน้นมับไก่ป่าแนบนิ่งสนิทก่อนค่อยๆนําไก่ป่าล่าถอยออกมาพร้อมพยักหน้าเรียกพื่อนพานอีกสองคนให้มาช่วยกันจัดการกับเจ้าไก่ป่าตัวนั้นพรนสุข ล่าไก่ป่าด้วยมือเปล่าแบบย่องเบาและวก็จับเหมือนไก่ป่าตัวแรกจนกระทั่งถึงยามสายแล้วจึงพากันกลับหมู่บ้านรวมเช้าวันนั้นแล้วพลานสุขจับไก่ป่าด้วยมือเปล่าได้เจ็ดตัวส่วนเพื่อนพลานก็ยังพากันสงสัยอยู่อดถามพลานสุขไม่ได้ว่าทําไมในเมื่อเราก็มีปืนแก๊ปทำไมถึงไม่ยิงไก่ปา่พาพลานสุขพยักหน้าพร้อมกับบอกว่าก็ขา้าเห็นมันมีหลายตัวหากพวกเรายิงอาจจะถูกบ้างไม่ถูกบ้าง เพราะไก่ป่ามันมีความไวมากอีกอย่างแทนที่เราจะจับไก่ป่าได้หลายๆตัวแต่อาจจะต้องยิงมันได้แค่ครั้งเดียวไก่ป่าทั้งฝูงก็พากันแตกตะเลดิดหนีหายเข้าป่าไปหมดสิทิเพราะเสียงปืนไก่ป่าฝูงอื่นที่อยู่ในรัศมีเสียงปืนก็คงจะหนีหายเข้าป่าลึกไปไกลอีกข้าจึงต้องจําเป็นต้องจับมันด้วยมือเปล่าถึงจะจับได้หลายตัวเพื่อนฝูงต่างก็เข้าใจในคําตอบพร้อมกับยกนิ้วเอ๋ยปากชมพรานสุขเองนี่มันเก่งเหมือนหมาในเลยวะ่ะ ย่องเยียบสะจนไม่ได้ยินเสียงฝีเท้าเหมือนหมาในมันแอบย่องจับไก่ป่ากินจริงๆข้าในใจเต้นตุบๆแอบลุ้นเลยนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาทานสุขหมาในก็เป็นฉายาที่ใครๆในหมู่บ้านต่างพร้อมใจกันพากันเรียกพานสุขจนล่วงมาถึงวัยปัจจุบันนี้ฉายาลุงสุกหมาในก็ยังเป็นที่คุ้นหูดีของชาวบ้านแถบนี้เป็นอย่างดีทานสุขหมาในเล่าให้ฟังอีกว่าได้ไ ป, ปเผชิญกับผีป่านางไม้ ่านสุกหมาในในวัยกำยำยังคงยึดอาชีพผ่านภัยเข้าป่าล่าสัตว์อยู่เป็นประจำป่าที่แกอาศัยดำรงชีพเป็นป่าดิบอยู่เถวระแวกบ้านแกแต่ต้องเดินลึกเข้าไปอีกไกลถึงขั้นโดนแดมค้างคืนคืนเดียวบ้างสองสามคืนบ้างจนกว่าจะได้สัตว์ป่าที่แกต้องการสมัยนั้นแกบอกว่าสมัยก่อนนั้นอยากกินไก่ป่าอยากกินกระต่ายป่าเดินไปหลังบ้านก็ได้กินไม่ต้องเข้าป่าไปไกลแต่หากอยากได้สัตว์ใหญ่ประเภทอื่นเช่น เก้งกวางหมูป่าอีเห็นบางเป็นต้องเดินลึกเข้าไปอีกไกลโขค่ำคืนวันหนึ่งกลางป่าดิบในช่วงฤดูฝนช่วงประมาณเดือนพฤษภาคมสุกหมาในนั่งพักเอาแรงใต้โคนต้นไม้กลางป่าทึบซึ่งเป็นต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่ฝอยลมสีเขียวเกาะเต็มตามกิ่งก้านสาขาบ่งบอกถึงความชื้นสัมผัส ข, ของสภาพอากาศอนุรมสมบูรณ์เพื่อความผ่อนคลายอาการเมื่อยล้า จากการตามรอยสัตว์ใหญ่มาทั้งวันก่อนจะมวนยาสูบม้วนด้วยใบตองอ่อนตากแห้งที่แกพกติดตัวมาเป็นประจำสอดไส้ยาสูบด้วยเปลือกมะขามเพื่อให้ไฟยาสูบลุกไหม้ต่อเนื่องก่อนจะสูบอย่างสบายอารมณ์แต่บางจังหวะต้องพ่นควันขโมงเพื่อไล่มแมลงที่มาตอมแขนตามขาเป็นช่วงๆความมืดมิดในป่ามันช่างมืดมิดเสียเหลือเกินจะมีก็เพียงแสงสว่างจากดวงดาวเท่านั้น ที่พอจะช่วยให้มองเห็นอะไรได้บ้างเสียงสัตว์ป่าบางอย่างใช้เล็บตะกุยเปลือกไม้ดังแกรกๆพุ่มไม้สั่นไหวววๆจากการกระโดดของสัตว์ป่าที่กระโจนออกจากพุ่มหนึ่งไปสู่อีกพุ่มหนึ่งเสียงจิ้งหรีดและเสียงแมลงป่าร้องดังงมไพรเสงแซ่เต็มไปทั่วป่าก่อนพลาสุขหมาในจะเอ็นกายนอนใต้โคนไม้ใหญ่ที่แกได้ปัดกวาดเตรียมไว้ก่อนหน้า น, นั้นแล้ว เวลาขึ้นคล้อยไปเท่าไร่นานเท่าไหรพรานสุกหมาในไม่อาจร่วงรู้ได้รู้แต่เพียงว่าถ้าหากแสงอาทิตย์ส่งแสงทอขอบฟ้ายามเช้าตูเสียงสัตว์ป่าออกหากินยามเช้าหรือยามไก่โหดแล้วเมื่อนั้นก็ถึงเวลาที่พลานสุกม้าในต้องขยับกายพยุงตัวเองลุกขึ้นท่ําคืนท่ามกลางหมู่ดาวน้อยใหญ่ในคืนนี้พรานสุกม้าในหลับไปด้วยความอ่อนเพลียแต่ลึกๆสติยังคงแฝงไว้ในยามหลับเยี่ยงนี้ ตามสัญชาตญาณการระวังตัวของพานไพรที่พร้อมจะตื่นตัวได้ทุกเมื่อและคงจะเป็นตามความเคยชินจากการที่แกได้ใช้ชีวิตอยู่ในการเดินป่าเป็นเวลามานานในความมืดมินดนั่นเองขณะที่พานสุกหมาในกําลังหลับไหลอยู่พันหูสองข้างก็ดินเสียงคล้ายเสียงกรีดร้องของผู้หญิงดังแว่วลอยไปมาสอดแทรกไปตามจังหวะคลื่นลมพานสุกบอกว่าใกล้บ้างไกลบ้างลอยไปมา เสียงนั้นกรีดร้องอยู่เป็นเวลาพอสมควรโห้ยหวนพอที่จะปลุกผานภัยให้สะดุ้งลุกเอ็นกายขึ้นมานั่งฟังได้และพยายามสอดสายตาหาที่มาของเจ้าของเสียงนั้นเงียบทั้งป่าเงียบกริบยังคงเป็นไปตามวิถีแห่งป่าเสียงจิงหรีด ย, ยังคงระงมไพรสายลมยังคงพัดกระทบต้นไม้ใบไม้ดัง ว, วิวิวเป็นปกติทุกอย่างดาเนินไปตามปกติพรานสุกหมาใน คงคิดว่าตนเองคงอ่อนเพลียมากจึงหูแว่วไปพลางเอ็นกายล้มตัวลงนอนอีกครั้งขณะหลับตาลงได้เพียงครู่เดียวยัางมิทันไดหลับสนิท ด, ดีทันเสียงนั้นเสียงกรีดร้องนั้นก็ดังขึ้นมาในโสประสา์อีกครั้งมีหนําซ้ํามันยังดังก้องและใกล้กว่าเดิมมากเหมือนเจ้าของเสียงนั้นนั่งอยู่ข้างๆตัวและวก็ส่งเสียงกรีดร้องป้องใส่ใบหูของพลานไพร์ดังลั่นในแก้วหูทําเอาพรานสุกสะดุ้งเฮือกผัวตัวลุกขึ้นทันที มือข้างขวาโผจับอาวุธปืนแก๊ปที่วางอยู่ข้างกายในใจตอนนั้นคิดว่าหยิบอะไรได้ทันก็เอาไว้ก่อนละหยิบได้มีดพราก็เอามีดพระหยิบได้ปืนก็เอาปืนขว้าหมับจับได้ปืนสติพันธ์แล่นกลับมาเรียกความรู้สึกกลับคืนมาจากประสาทสัมผัสจากมือที่จับได้ด้ามปืนตนเองไม่ได้ฝันไปบนดั่งพึงกับตนเองแต่ปากก็ยังคงเงียบเหมือนเดิมเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยท่านึกในใจพูดกับตัวเองว่า ผีป่ามันหลอกเอาแน่ๆเลยแต่ในใจตนนั้นยังคงนิ่งเก็บอารมณ์ข่มความกลัวไว้ไม่แสดงความกลัวให้ผีป่ามันรู้ไม่งั้นจิตจะตกอยู่ในอำนาจของมันและในใจยังคงคิดว่าในป่าดิบแบบนี้ไม่มีที่ให้หลบให้หนียังไงก็ต้องสู้กันพรางหยิบซองยาสูบขึ้นมาพันม้วนจุดข่มอารมณ์สองสายตาสอดสายระแวดระวังไปมาจนแน่ใจว่ามันไม่ปรากฏตัวเห็นแน่ จึงเอ็นกายข่มตาลงนอนอีกครั้งลองดูซิว่าครั้งนี้เจ้าผีป่ามันจะมาในรูปแบบไหนอีกตั้งแต่เดินป่ามายังไม่เคยพบไม่เคยเจอเลยคืนนี้มันช่างข่มตาหลับลงยากเสิร์ลเกินกายอยากจะหลับแต่ใจยังผวาผวงุงแล้วครั้งต่อไปผีป่ามันจะแสดงลิศแบบไหนอีกนะเข้าป่ามาก็นานไม่เคยเจอเรื่องอย่างนี้เลยคิดไปคิดมาพอไอ้เผลอหลับไปไม่รู้ตัว รู้สึกตัวอีกทีเหมือนความรู้สึกในห้วงแห่งความฝันว่าจะเหมือนครึ่งดับครึ่งตื่นก็ไม่เชิงมีความรู้สึกเหมือนกับว่ามีสายตาของใครก็ไม่รู้มาจ้องมองดูที่ตัวเราพลันก็ต้องพลอยสะดุ้งเฮือกอีกทีลืมตาตื่นขึ้นมาอีกครั้งเพราะเสียงยอดไม้กิ่งไม้รู้สึกว่ามันสั่นไหวแรงผิดปกติใบไม้ปลิวอยร่วงลงมากระทบตัวและรอบบริเวณนั้นเสียงจึิงดีพากันหยุดตร้องมีแต่ความเงียบสงัดพร้อมกับเสียงของกิ่งไม้สั่นไหวเท่านั้น พรานสุกม้าในคิดในใจว่าป่าเปลี่ยนไปจึงเหลือบสายตาแง้มมองขึ้นไปตามหาเหตุเพื่อจะหาเหตุที่มาอะไรกันที่มันทาให้กิ่งไม้ยอดไม้สั่นไหวแรงขนาดนี้พรานสายตาก็สะุดเข้ากับร่างร่างหนึ่งพอจะมองเห็นเลือนลางตามความสว่างของดวงจันทร์ร่างนั้นมันนั่งนิ่งอยู่บนยอดกิ่งไม้สายตาจุดจ้องมองลงมาอย่างพรานสุขที่กําลังนอนตัวแข็งอยู่ด้วยความหวาดกลัวเหมือนจะต้องมนต์สะกด แต่สายตายังคงรับรู้ได้หัวใจยังเต้นแดงสั่นระริกในโสดประสาทและจิตใจใต้สํานึกรับรู้ได้ว่าร่างที่เห็นนั้นคือผีป่านางไม้แน่ๆพราสุขเล่าให้ผมฟังว่าร่างนั้นเป็นผู้หญิงแน่นอนแกเรียกผีป่านางไม้ซึ่งพรานรุ่นก่อนๆ ก, ก็เคยเล่าให้ฟังก็มีนึกว่าตนเองจะได้มาพบมาเจอเองมันมีลักษณะรูปร่างผอมบางแกบอกกับผมว่าตามภาษาชาวบ้านเขาว่า หุ่ดีทีเดียวใบหน้านั้นไม่ได้น่าเกลียดหน้ากลัวเหมือนกับผีที่เราก็ใจกันทั่วไปแกบอกว่าพอจะเห็นเขาหน้าลางๆท่ามกลางแสงเดือนที่สลัวๆเพราะกลุ่มเมฆฤดูฝนบดบังแสงไว้ใบหน้านั้นเรียวเล็กคาดคะเนว่าอายุน่าจะประมาณ30สิกว่าผมสีดําเหยียดยาวสยายลงไปยันปลายเท้าหน้าตาและการแต่งกายเหมือนกับผู้หญิงชาวบ้านที่นุ่งผ้าถุงทั่วไป พรานสุกเล่าต่อไปว่าผีป่านางไม้เคลื่อนที่โดยการโผลไปโผลมาจากกิ่งหนึ่งลอยไปยังอีกกิ่งหนึ่งมันพยายามลอยต่ำลงมาลักษณะเหมือนกับพยายามที่จะโผลเข้ามาหาตัวพรานสุกให้ได้จังหวะที่ผีนางไม้ลอยไปมาอยู่นั้นพรานสุขสังเกตเห็นว่าผมของผีนางไม้นั้นยาวสลวยเหยียดตรงชี้ขึ้นด้านบนตามจังหวะของการโผลเพื่อลงมาหากิ่งไม้ด้านล่างสุด หมายจะเข้ามาหาตัวของพลันที่กําลังนอนอยู่ด้วยการตัวแข็งทื่ออยู่ในขณะ น, นี้จังหวะที่ผีนางไม้โผจะมานั่งบนกิ่งไม้ล่างสุดนั่นเองมันก็ต้องมีอาการพผงะพร้อมกับเสียงกรีดร้องอันโอยหวนเย็นเยอือยเรอยดีดตัวขึ้นสู่ด้านบนเหมือนกับผีนางไม้มันเจออะไรบางอย่างที่มีพลังหรืออํานาจที่ยิ่งใหญ่สามารถทําให้มันเกรงกลัวได้โผลกลับไปนั่งบนกิ่งไม้เดิมพร้อมกับก้มลงมองมายังตัวของพลันสุข มันจ้องมองผ่านป่าด้วยอาการและสายตาที่มีความขีดแค้นแล้วก็พยายามผัตัวลงมาอีกครั้งแต่ก็ต้องพงงะผัตัวล อ, อยขึ้นไปอีกพร้อมกับส่งเสียงกรีดร้องห้ยหวนยินจะเยือกเช่นเดิมเหมือนผีนางไม้จะรู้ตัวว่าตนเองไม่สามารถจะทำไรผ่านป่าได้เลยมันจึงกรีดร้องเสียงแหลมห้ยหวนสนันป่าพร้อมกับลอยหายวับไปกับความมืดเป็นจังหวะที่พลานสุขหมาในขยับเนื้อขยับตัวได้พอดี เบกสติของตนเองกลับขึ้นมาได้ครบแต่เนื้อตัวยังสั่นอยู่มือขวาควา้วาหมับจับอาวุธประจำกายคือปืนแกป๊ปแต่ก็ไร้ซึ่งวิวแววของผีนางไม้ที่มาเขย่าวขวัญประสาทของตนเมื่อสักครู่นี้เงียบป่าเงียบเป็นปกติยอดไม้สั่นไหวจิงดีดพากันน้องดั ง, งมเสียงลมพัดใบไม้ดังบวิววิวเป็นปกติของป่ายามนี้ลุงสุบกบอกผมว่าผีป่านางไม้ มันจะเอาเราทาผัวแน่ๆตามคําเล่าลือของพลานป่าหรือคนตัดไม้ที่เราสื่ต่อกันมาผมจึงอดถามลุงสุกหมาในไม่ได้ว่าลุงมีพระอะไรดีเหรือครับผีป่านางไม้ยังไม่สามารถทําอะไรได้แกสายหน้าปฏิเสธผมจึงป้อนคําถามต่อเนื่องอีกว่าอ้าวแล้วลุงมีคาถาหรือเศกคาถาป้องกันตัวหรื อ, อยังไงแกก็สายหน้าปฏิเสธอีกผมได้แต่ทาหน้างุนงงและก็นึกในใจว่าลับพลานสุกแกมีอะไรดี ผีนางไม้จึงได้กลัวขนาดนั้นแดดอ่อนทอแสงส่องขอบฟ้ารับอรุณรุ่งของเช้าวันใหม่เสียงไก่ป่ากลงคอขันขานรับกันเป็นทอดๆ ด, ดังกล้องกังวาลทั่วป่าพรานสุขยังคงรู้สึกงุนงงปนหวาดกลัวกับเหตุการณ์ที่เพิ่งผ่านพ้นไปเมื่อคืนนี้มือข้างหนึ่งขี้มวนยาสูบที่พันด้วยใบตองอ่อนปากแห้งในใจคุ้นคิดทบทวนถึงเรื่องผีป่านางไม้ที่มาหลอกล้อนตนแต่ก็ช่างเถอะ มันทําอะไรเราไม่ได้นี่ยพรางคิดปลอบประโลมใจของตนเองว่าก่อนจะจัดการมื้อเช้าด้วยสเสบียงแห้งเนื้อเค็มที่ตะเตรียมมาก็จัดการหาไม้ไผ่ดิบประเภทไม้ข้าวหลามปล้องใหญ่พอประมาณหนึ่งปล้องเ俏เจาะเป็นรูสี่เหลี่ยมข้างล่างปล้องมาข้อหนึ่งนิดหน่อยกรอกข้าวสารน้ําพอท่วมข้าวประมาณครึ่งกระบอกอุดดูด้วยใบยตองดิบนําไปวางบนฐานไฟรอให้สุกแค่นี้ก็ได้ข้าวสวยที่หอมกลุ่นด้วยกลิ่นข้าวหลามอร่อยเหาะเชียวแหละ หลังมื้อเช้าแกเอ็นกายพิงโคนไม้หย่าสักพักเอาแรงสักหน่อยก่อนจะเตรียมของพร้อมออกกล้าสัตว์ต่อเดินลึกเข้าไปในป่าดิบลัดเลา ะ, ะตามลําห้วยเล็กๆก่อนจะมาโผลที่ป่าดิบดูอึมครึมเพราะแสงแดดไม่สามารถส่งทะลุลงมาที่พื้นดินได้ไม่ต่างอะไรกับบรรยากาศยามเย็นใกล้ค่ําเป็นป่าทึบที่เต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่และต้นมะม่วงป่าพันสายตาก็เหลือบไปเห็นเก้งตัวน้อยใหญ่ฝูงหนึ่งประมาณ6กถึงเตัว ไก่ฟ้าหลังเทาสี่ห้า 4, ตัวหากินเคียงคู่กับฝูงเก้งฝูงเก้งกําลังก้มเล็มหญ้าบางตัวกําลังใช้ฟันเลาะเล็มกินเนื้อมะม่วงสุกฝูงไก่ป่าหลังเทาพากันคุยเขียหญ้าขุดคุยดินจะกกินมแมลงหรือตัวหนอนอย่างสบายอารมณ์ฐานสุขเห็นเป้าหมายที่ตนเองรอนแรมตามหาแล้วเก้งใหญ่คือเป้าหมายในยามนี้จัดแจงปลดอาวุธปืนมาประจุกแก๊สพร้อมหมอบหลบใต้พุ่มไม้อำพรางตัว ค่อยๆคืบคลานเข้าไปหาเหยื่อให้ได้ระยะหวังผลการยิงที่สุดจนได้ระยะมือซ้ายวางเป็นรูปตัววีพยุงลำกล้องตวัดผ่านท้ายปืนเข้าร่องบ่ามือขวาสอดเข้ากรงไกพร้อมยิงหลับตาซ้ายเล็งไปด้วยตาขวาจับเป้าหมายได้ข้อนิ้วชี้ขวากำลังจะลั่นไกพันทันใดนั้นเองลูกมะม่วงป่าลอยมาจากทิศ ท, ทางใดไม่ทราบได้ลุงสุกบอกว่า มื่ม่วงนั้นมันลอยละเยวมาตกดังตุบตุบตุบ ต, บ ต, บตุบไม่รู้ว่ามันลอยมาจากตรงไหนหล่นใกล้ๆกับฝูงเก้งฝูงไก่ฟ้าที่กําลังหากินอยู่จนพากันตะเวนหนีหายเข้าป่าไปหมดเลยเมื่อม่วงป่าลอยมาหลายทิศเหมือนมีใครเจตนาคว้างไล่ฝูงสัตว์ทําเอาฝูงสัตว์ตกใจตะเวนหนีตัวไกาเองก็ตกใจด้วยพลางลุกยืนสอดสายตามองหาคนคว้างเมื่อม่วงป่าไม่มีคนไม่มีใครอยู่แถวนั้นเลย แม้แต่เสียงแปลกผิดปกติก็ไม่ได้ยินแตกใจมุนงงอยู่พักหนึ่งพร้อมกับลดนกสับปืนไว้ไม่รู้จะยิงอะไรในใจก็คิดว่าไม่ผีป่าก็ผีนางไม้ตัวเมื่อคืนแน่ๆเพราะมันทำอะไรเราไม่ได้คงจะผูกใจเจ็บพยาบาทตามมาแก้แค้นด้วยการกั่นแกล้งไล่สัตว์ป่านี้หายหมดผ่านสุขหมาในคิดได้อย่างนั้นจึงเก็บข้าวเก็บของจำยอมผีป่าผีนางไม้ ขืนดื้อดึงพยายามเข้าป่าลึกไปหาสัตว์อีกคงจะไม่ได้อะไรเป็นแน่แท้และเกรงว่าจะต้องพบเจออะไรที่อาจจะเป็นอันตรายมากกว่านี้ก็ได้จึงต้องยอมกลับบ้านด้วยมือเปล่าและกลางวงสนทนายามนี้ดีกรีแห่งความเมาช่วยเสริมการเล่าเรื่องของลุงสุขมมาในได้เป็นอย่างดีมีอรรถปนกับมวลยาสูบที่พันห่อด้วยใบตองแห้งของแกพอจะช่วยให้ผมมองเห็นภาพการเดินป่าของแกได้บ้างพรานสุขหมาใน เดินป่าล่าสัตว์โดยไม่มีมนต์คาถาอะไรไม่คล้องพระอะไรแกบอกสำทับว่าบรรดาพ่านป่าจะไม่นิยมแขวนพระเข้าป่าเพราะเชื่อว่าพระเครื่องมีคุณทางเมตตาหรือแคล้วคลาดหากแขวนพระเข้าป่าจะไม่ได้เจอสัตว์ป่าอะไรเลยจะแคล้วคลาดไปหมดพ่านป่าจึงไม่คล้องพระเข้าป่ากันถุงพลาสติกใสข้างในบรรจุด้วยยาสูบขี้โย و. ใบตองอ่อนตากแห้งเปลือกมะขามไว้บดผสมยาสูบ และมีสิ่งหนึ่งที่พลานสุขใช้เป็นเครื่องรางพกติดตัวเข้าป่าโดยเก็บไว้ในซองของยาสูบของแกนั่นก็คือเหรียญบาทพยาครุดเป็นเหรียญที่แกพกเข้าป่าอยู่เป็นประจำผมจึงได้ขออนุญาตดูการเข้าป่าและพักคืนในป่านั้นพลานสุขบอกว่าเต็มไปด้วยสิ่งลี้ลับตามคําเล่าขานของพลานป่าและคนตัดไม้จากปากต่อปากของพลานป่าและคนตัดไม้เล่าขานสืบต่อกันมา ว, ว่าหากจะนอนในป่า ไม่ว่าบริเวณใดก็ตามให้ตอกตราคุดโดยตอกให้ด้านที่เป็นรอยคุดติดไว้เหนือบริเวณที่เราจะนอนตอกเสร็จแล้วก็เก็บเหรียญพกไว้เหมือนเดิมเช่นเดียวกับพรานสุกในค่ําคืนแห่งกา ร, รเผชิญกับผีป่านางไม้พรานสุเองก็ได้ขูดเปลือกโคนไม้ใหญ่ขูดให้เรียบร้อยแล้วก็ตอกตราคุดประทับติดไว้เพื่อปกป้องสิ่งลี้ลับตามคําพรานและคนตัดไม้เคยบอกไว้และก็ได้ผลเป็นที่ปรากฏ จากการที่ได้ไปเผชิญกับผีป่านางไม้เหรียญบาทพยาคุดจึงเป็นเครื่องรางที่ผู้เดินป่าพรานไพรคนตัดไม้พกติดตัวเข้าป่าเพื่อป้องกันสิ่งลี้รับแค่เหรียญบาทตราคุดเท่านั้นไม่ต้องผ่านพิธีกรรมอะไรปลุกเสกมนต์แตอย่างใดซึ่งกระผมเองก็เคยได้ยินเรื่องเล่าเกี่ยวกับเหรียญบาทตราคุดนี้จึงขออนุญาตเรียกว่าเหรียญบาทพยาคุดก็แล้วกันครับเป็นการเพิ่มความศักดิ์สิทธิ์และความยิ่งใหญ่ของพยาคุด ซึ่งผู้เท่าท่านหนึ่งเคยเล่าให้ผมฟังว่าสมัยที่ท่านเคยตัดไม้และล่องไม้ไปตามแม่น้ำปิง่งไม้บางท่อนไม่ยอมไหลไปตามกระแสน้ำบางท่อนอยู่นิ่งลักษณะคล้ายกับไหลทวนน้ำผู้เท่าท่านนี้จึงเอาเหรียญบาดตราคุดตอกลงไปที่หัวไม้ท่อนนั้นปรากฏว่าไม้ท่อนนั้นพลิกตัวหมุนกลิ้งไปมาอย่างน่าแปลกประหลาดก่อนจะไหลาตามกระแสน้าไปเช่นเดียวกับหมอผีบางท่านหากตรวจพบว่า ผีหรือสัมภเวสีเข้ามาสิงสู่ในเสาบ้านใดทําให้คนในบ้านนั้นอยู่ไม่เป็นปกติสุขแ ล, ะละ้วแล้วก็หมอผีก็จะตอกเหรียญตาขุดให้จมลงหายไปในเนื้อไม้ทั้งเหรียญเพื่อเป็นการสะกดพูดผีให้อยู่ในพบในภูมิไม่ให้ออกมารบกวนใครได้อีกเหรียญบาทพยาขุดจึงนับว่าเป็นวัตถุที่มีความขลังความศักดิ์สิทธิ์ในตัวของมันเองจริงๆที่ก็คือเรื่องเล่าจากพานสุขที่ถ่ายทอดให้พวกเราได้ฟังนะครับ เรื่องเล่าจากป่าจึงจบลงเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวถ้ามีเรื่องเล่าใหม่ๆผมจะมานำมาเล่าให้ทุกท่านได้ฟังนะครับโอ้อย่าลืมกดติดตามนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ